จะเป็นธรรมะทิ่บ้านปฏิบัติสูงกว่าพวเราทุกคนที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติธรรมะมาจาก่างสินง่างฐานใกล้ตัมีไลกลตัวมีการมาปฏิบัติธรรมะเราเชื่อมันในตัวของเรา ว่าเราจะตังหน้าตั้งตาตั้ึดปฏิบัติได้ความมุ่งหมายของการปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายปฏิบัติจิตของตนให้มีความสุขความสบายเพราะความสุขความสบายไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าไทยหรือเทศต้องการทั้งนั้นสื่อกับความสุขแล้ว ต่างชาตต่างคนไม่ว่าจัตหรือมนุษย์ต่องการความสุขความสุขอันแท้จริงนั้นมีอยู่ที่ไหนหากที่จะรด้นาทางธรรมจริงจริงก็จะเห็นว่าความสุขนั้นมีอยู่ที่ใจใจที่ได้รับความสุขเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นจากการปฏิบัติถูกต้องไว้ที่รับความทุกข์ทรมาแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากใจอีกเหมือนกันใจของพวกเราท่านเป็นสิ่งที่ฝึกไ ด, ด้ไม่เหลืยวมิสัยในการฝึกอบรมสิ่งใดที่จะกอ่อความทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่าใจไม่มีใจนี้เป็นมหาโจรสำหรับกอ่อความทุกข์ ใชาแฉลบตนข่องตอนไม่มีวันเวลาจะหยุดยั้งฉะนั้นพวกเราท่านเห็นเรื่องของใจที่มีที่เหลือปัญหาเป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตใจไม่ให้รับความสุขความสบายซึ่งตั้งหน้าต่างตามาประบัติปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งเลวุยุเหล่านั้นให้ออกจากใจข่องตอนใจนั้นเมื่อพิจารณา แนนอนจริงจังทางธรรมะแล้วจะมีความสว่างสวยผ่องใสอยู่ทุกการทุกเวลาเหมือนอย่างพระจันทราที่เจ้าจะมืดมนบนพระจัรนั้นเนื่องจากเมฆหมอกเกิที่เหลือปัญหาปกติของพระจันทร์อาที่สว่างจ้าอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าหากไปมีเมฆหมอกไปจิกคุมเอาไว้ ใจของพวกเราท่านก็นเหมือนกันถ้าหาสชระจิตเลียดปัญหาโลกปวดหลงออกจากใจได้ใจจะสว่างสวยใจจะมีความสุขใจจะมีความสบายฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าจึงเน้นนำคำสอนพวกเราในสติปฏิบัติในทางสติปฏิบัติเพื่อจะให้ใจสงบสงัดนั้นต้องอาศัยาการกาหนดทีนี้ติจเจริญาจะกำหนดบทบริสัมหรือจะแท่ง จิ่งใดสิงหนึ่งห้ามใจที่เคยติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้ไม่ให้ปรุงแม่คิดไปเรื่องนอกเซงอยู่ในจุดหนึ่งจุดเดียวหรือวกรีรมให้ขี่เข้าไปจนใจมในนีโอกาสเกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญญาที่สุดขึ้นหรือผ่านมานี่เป็นเรื่องที่ติดใจให้สงบ จะบนี้ตรมหรือหรือที่นี้ที่เจรนาธรรมอันใดไม่จิตทางนั้นขอให้ใจมันสงบสงัดนั่นเป็นผลเป็นผลความสงบสงัดที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเพราะความเชื่อมัน่นถ้าบริกรรมบทนี้หรือเราเพ่งอย่างนี้ถ้าไม่เห็นคุณนานิสงในการจะทำเมือ่อใดเราจะไม่ยอมปล่อยทิ้งจะไม่ยอมปล่อยวาง ตัหน้าต่งาตงๆกําหนดอยู่นั้นตังหน้าต่งางๆตานริกรรมอยู่นั้นอารมณ์อื่นจะผ่านมานี้เกิดขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเราต้องเกี่ยวข้องตั้งจิตท้องตนรรแน่ๆอยู่ในอารมณ์นั้นเชื่ออย่างมัน่นคงว่าอารมณ์อันนี้บริกรรบริกรรมอันนี้การเพ็งอย่างนี้จิตของเราจะได้รับความเบิกบานสุขสบายนะ ลราเชื่ออย่างนั้นความกันอย่างนั้นเราจิตที่ใน ม, มีโอกาสไปสังคมเกี่ยวขับงกับอารมณ์ภายนอกค่อยๆหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาผลที่สุดก็ลงรวมได้ไปรับความสุขความสบายเบากายเบาใจเราจะนั่งไปขนาดไหนก็นั่งได้อาหารจิตไม่ถอดถอนจากความรวมรวมเรื่องความรวมรวมเข้าใจความสุข ที่ปรากฏในการรวมรวมในเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมันอื่นเราจะมีความสุขไปจากในการปฏิบัติบำเพ็ญของเราอย่างแน่ชัดเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมะขององคุณพเจ้ามีความสุขตามสบายอย่างนี้ถึงคนอื่นทั้งโลกเขาจะไม่เชื่อกว่าอตาเราเชื่ออยู่คนเดียวเราก็าเราเห็นเราเป็นเขาได้รับความสุขความสุขชนิดนี้ จะไปอ่านสำหรับกำลราหรือจะไปดูหนังนฟังเพงที่ไหนความสุ ข, ข้องใจชนิดลงวมอย่างที่เราทำกรรมาฐานจะไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นชุ้นจากการดูการฟังเงื่อนอีกเมื่อเราเห็นเราเป็นเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นกว่าเป็นชิ้นฐานที่เราจะมีศรัทธาบ้าแข็งต่อไปเพราะจิตใจที่ไปเห็นไปเป็นอย่างนั้น เกิดความอธิการมีความสู่ความสบายขนาดไหนเป็นกฏจัดตั้งเฉพาะตนของตนเท่านั้นว่าจะยกให้คนเห็นให้คนอื่นรู้ยกให้ดูไม่ได้เพราะไม่ใช่วัตถุเป็นด้านนามธรรมดังนั้นพวกเราท่านตามปฏิบัติเบื้องต้นก็เพื่อจะให้จิตใจของตนสงบสงบยังพ่าทางแรงที่นึกที่เจอแลาเห็น เรื่องอืน่นเรื่ของดีของเด่นขอ ง, งอน้าแขเพลินและยินดียินสั่งเรื่องของจิตสงบเมื่อทุกคนตั้งหน้าตั้ง ต, า, งตาอบรมตั้งหน้าตั้งตาภ า, าวนาความจริงจังจะเห็นคุณค่าของศาสนาพะพุทธเจ้าท่านแสนสลาดไม่มีบุคคลผู้ดใดโลกและเสมอเหมือนพะพุทธเจ้าถออึงแมอท่านใดเป็น กัตริ์มีความสุขทางเทวัารมากมายหลายหลวงขนาดไห่พอต่อแต่ท่านก็ยังเสียสละเห็นว่าเรื่องความสุขภายนอกสุขด้วยอามิจไม่จี่ลังอย่างยืนย่านจึงออกตระเพฤ่อพลดผมไม่จันท์เมื่อท่านประพฤติปฏิบัติทําการเจริงจังจนจิตใจได้ความรู้ปนจากทุกขานจริงมีพระกรุณา มาแนะสอนหวง ก, ก, กับพสัตว์จนกระทั่งห่วงเราทุกวันนี้ที่ได้มีศรัทธาเชื่อมั่นมาฝึกปฏิบัติเยอสละความสุขความสบายทางปามาอยู่ป่าอยู่เขาก็เพาะเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคนเชื่อคนถือต่างหน้าต่างตาไปฝึอปฏิบัติจ ร, จรจิงฟัง เป็นของที่มีคุณาาาค่าราคายิ่งกว่าเท็กว่าปล่อยไปได้อีกเลี่องนั้นคำสอนคนสมัยใหม่ส ม, ม, มัยปัจจุบันหรือนักศึกษาบางท่านหรือแบบซืหอว่าล่าสมัยเพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติให้เห็นความจริงในจิตในใจในในของเขายังที่เจนาทนเินหวัดยบาบทำสอนสองพระพุทิเจ้านั้น เป็นของที่ยังโลกสัลื่อนไปเยอดเย็นเป็นสุขบ้างถ้าหากเชื่อหรือประพฤติปฏิบัติตามทุกวันนี้โลกท้ายโลกกกำลังวุ่นวายทุกแห่งทุกหนไปโลกที่วุ่นวายอย่างนั้นเกิดขึ้นจากอะไรถาหากพิจารณาเงียบทายภายในใจค็จะรู้ได้ว่าคนพวกนั้นขาดธรรมะขาดเหตดตามีมโลก ก่เลสปัญหาเป็นส่วนใหญ่จึงเกิดไม่พอใจเบียดเบียนซึ่งกันและกันหากพวกเรานั้นมีธรรมะภายในใจมีเมตตากรุณาต่อกันไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันโลกของมนุษย์ก็จะมีความสุขไม่ได้รับทุกข์เสาะต่างคนต่างอยู่มีจิตเมตตา สงวนาต่อกันรักใคร่กันเหมือนหยาดนิดมีโลกขาดสีต่อปานาที่บาสมีการฆ่ากันฟันกันเหยียดเบียนกันยังแค่สีตัวปานาตัวเดียวพอทําโลกทั้งโลกให้เดือดร้อนถ้าหากนี่ทํามีเมตตาสืวนาแล้วโลกจะเป็นอย่างนี้ไหมล้วก็เชื่อมั่น ลโลกไปเป็นอย่างต่างคนก็รักชีวิตของตนเห็นอกเขาอกเราเขินชีวิตเขาชีวิตเราเสมอกันไม่เบียดเบียนกันไม่ข่าฟันกันโลกก็สงบลงไดน้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะที่เหลกคือความโลกภายในใจเขาเบียดเบียนเสียดแทงจิตใจของเขาเขาจึงเบียดเบียนกันข่าฟันกันแย่งกัน เป็นหลักเป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายนี่ขาดทำอะข้อนี้โลกอะไรป่วนปัน่นเดือดร้อนเจ้าเสียงข้อนี้ข้อเดียวผอ ย, ยังทําโลกให้เดือดร้อนได้ 1. อย่างอธินาทานเหลือของศียข้อที่สอง ล, ละการต่อการเสดมการลักการขโมยถ้าหากต่างคนต่างเห็นอกเขาอกเราเหมือนกัน รักของเราอย่างไรของเขาเขาก็รักอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่กล้าสามารถกิจเต็มรักไปถมวยท่องกันมาฝนไปไปสะดงท่องกันสิ่งของที่มีอยู่ในสมรจิก็ไม่เสียหายไปที่ไหนกลางคืนกลางวันสนุกทํางานกลางคืนนอนเจนแต่เพราะไม่มีถมวยด้วยโจรมาฝนมารัก เศรกิจของชาติเมื่อมีการงานดีมันก็ดีขึ้นมีตั้งคืนรักษาสมบัติกั้งวันไปทำงานตั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลางวันไม่ก่าป่วยการงานต่างๆมันก็นเหนื่เหนื่อยทำไม่ได้เป็นเน็ตเป็นหน่วยนี่ก็เสียอันหนึ่งสุดคนปัจจุบันมองไม่เห็นแบบศีลธรรมธรสังสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของซึของลาสมัย ความจริงเป็นของคันสมัยคนข่ากันฟันกันคนลักคนขมโมยเป็นข้องดีข้องดีเมื่อไรไม่อยู่ในวัดในวานในบ้านไในอำเภอไหนก็ได้รับความเดือดร้อนขว่กันคนดีนอนจะเป็นสุขอยากจะทําอะไรในฝ่อ ย, ยทำเป็นเหน็ดเป็นหนุย่ยเพราะเพียรว่ารักษาสิ่งของแต่ถึงขนานั้นมันก็ยังมาต้อนมาจี้เอาจะเป็นข้องดีหรือเป็นข้องขั่ว ให้พิจารณาให้กินใจลงไปอย่างธรรมะข้อนี้เสมืติกบควรที่นักศึกษาหรือครูหลักผู้ใหญ่จต่ที่ไม่พิจารณากันให่รู้ว่าทำสององค์พรจเจาเป็นของขื้นหรือคนก็ขึ้นชั่วปฏิบัติชั่วเป็นของขึ้นหรือปวดถึงเรื่องโลกภายนอกโลกภายนอกพอเกี่ยวกเกาะพอมาถึงโลกภายในคือเรื่องของใจเนี่ยถวกเรามีใจทุกคน คนอื่นเขาเสียคนอื่นเขาชั่วหม่เป็นของสำคัญแต่ตัวของเราเสียตัวของเราชั่วเราจะรักษาตัวของเราให้เป็นผู้ดีผู้ดีได้อย่างไรนอกจากจากที่นิติจเจรณาธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาแก้ไขเรื่องสายวายใจใจของเราให้ดีให้ดีแล้วไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขได้ การแก้ไขกายวายจาจใจก็คือให้มีศีลเป็นเครื่องรักษากายว า, ายใหใปกติมีสมาธิทาหนักแน่นในจิตในใจทำอะไรต้องทำจริงไม่หวั่นไหวในสัญญาอารมณ์ต่างๆจนจิตใจตั้งมั่นจริงๆจังจัง แต่ที่แก น, นาอัดทำส่วนอื่นก็แยกทายลงไปเหตุนั้นรัพุทธเจ้าจึงสอนพวกนักบวชนักปฏิบัติในสิทธขาทาั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิทาหาจิตในรงรวมเห็นความเบาความสบายสามสว่างสวัยใจเชื่อมั่นก็เป็น สมาธิได้เมื่อมีสมาธิตามที่นิพพยานาอาจทําอะไรก็อแจม่มใสชัดเจนเพราะสมาธิเป็นพื้นฐานที่จะให้ปัญญาเห็นตามเป็นจริงได้ถ้าหากไม่มีสมาธิภายในใจพิจรารณาอะไรก่กลายเป็นสัญญาไปนิเลศปัญหามานาัชพิภายในใจในตรงออก ยิ่งมีปัญญาภายนอกมากเท่าไรก็ยิ่งข่มเหงคนอื่นหรือฝ่าฝืนอัดคำมากเข่าไปถ้าจิตมีสมาธิตั้งมั่นเห็นอัดคำภายในใจพิจารณาอะไร่อยชัดเกณ่์แกงไม่เป็นสัญญาเป็นปัญญาจริงๆฝ่ฟาฟันความโลกความโกรธความหลงออกจากจิตใจได้เห็นความฝุกความสบายภายในตน อย่างชัดเจนไม่จิดคล้องยึดถือในสิ่งขั่วไปเพราะใจเห็นตามเป็นจริงไม่หวั่นไหวในมรณะไไยคือความตายเพราะเห็นว่าเกิดแล้วจะต้องมีการแปกพวนและแตกสลายไม่ว่าวัตถุภายนอกหรือตอนของตอนเองเห็นแต่จากชัดเจนอย่างนั้นพูดถึงบัญญัติเป็นอย่างนั้น ถ้าพูดถึงประมาทก็เห็นไปจากชาัดเนจนสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายนอกจากจิตใจไปเมินหมายยึดถือเท่านั้นเมื่อจิตเห็นจิตไปจากชาัดเจนละถอนสิ่งที่ยึดถืออารมณ์สัญญาหรือสังขารในเข้าไปเกี่ยวข้อง สมมติทั่วไปที่เยช้ยกันมาตั้งแต่วันเกิดหรือตั้งแต่ตั้งโลกมาหรือสัญญา อ, าอะไรขึ้นชื่อว่าสมมติของโลกจะไม่มีในความบริสุทธิ์ของจิตอันนั้นจิตอันนั้นเป็นความบริสุทธิ์ที่ในเกี่ยวข้องวัตันติดกับสิ่งอะไร บริสุทธิ์พ้นจากพสมมติเข้าจากักและเข้าใจประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตัวของตัวอย่างนั้นการอยู่การไปการล่มการตายเห็นประจักษ์ชัดเจนว่าไม่มีผู้บริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ธาตุขันธ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันก็จะสลายไปตามเรื่องเหล่านั้นเมื่อเห็นชัดเจนอย่างนั้นความหลง จะไปเกิดอีกในโลกอื่นชาติอื่นมีหรือไม่ก็ไปจากชาติใจอะไรพาไปเกิดที่เหลืปัญหาความลุ่มหลงมานา่าชิดขิอุปาทานที่ไปติดข้องในภพต่างๆชาติต่างๆรเรื่องๆต่างๆเมืม่อพอไปถึงความบริสุทธิ์อันนั้นอันนั้นจะเป็นอะไรไปอีกจะต้องเพืปฏิบัติใจดียิ่งนิเศษประเสริฐก่านี้จะมีไหมห้ามป่าถนาภายในใจ มีไหมเมื่อพบนเมื่อเจอสิ่งที่เราต้องการแล้วหมดไม่เหมือนเรื่องของกิเลสปัญหาไม่เหมือนของใจธรรมดาซึ่งได้อันหนึ่งแล้วต้องการอันหนึ่งเห็นอันหนึ่งแล้วอยากเห็นอันหนึ่งต่อไปความเป็นของใจที่มีโลภโกรหลุ่นที่มีกิเลสตัญหาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่าชั่วสุลมูลวุ่นวายอยู่ ไม่มีวันสงบไม่มีวันสบายไม่มีเวลาเป็นของดีของดีนี่จะเกิดบุ่นวายอยู่อย่างนั้นเพราะใจดวงเดียวนั้นแหละใจที่เกี่ยวแฝงไปด้วยกิีเลียดปัญหาถ้าเป็นดีมุดหลุดพ้นจริงๆความตั้งถนาอะไรไม่มีบริสุทธิ์ปลกคลองอยู่อย่างนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีไปไม่มีมาไม่มีเกิดไม่มีตาย แต่ว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าหากมัาอยู่ในใจดวงบริสุทธิ์เท่านั้นเหตุนั้นพวกเราท่านนักปฏิบัติก็ต้องการความบริสุทธิ์ผุดของต้องการความสุขที่ไม่มีอานิจักรเจือปนต้องการนิมุตกคือที่ศึก ข, ของหลวงอา จ, จารย์ฉะนั้นการปฏิบัติทุกคนต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนถ้า ผู้ที่ยังไม่ได้รับความสงบสงัดปฏิบัติสมาธิให้มีความสงบสงัดภายในใจของตนจะบริกรรมพุโทโธทำโ ม, มสังโฆหรือจะกำหนดลมหายใจหรือจะแห้งผมขนแล้วฟันอะไรก็ได้ทนั้นขอให้ใจของผู้ปฏิบัติปปตสงบสงัดเป็นพอนี่เป็นพื้นฐานสำคัญถ้าหากไม่มีความสงบสงัดภายในใจแล้ว ยากหนักหนาที่จะเชื่อจะเลื่อมใสที่จะมีศรัทธามาเพื่อปฏิบัติอากรรมถ้าเห็นหากเป็นระจากชาัดเจนในตัวแล้วห้ามไม่ได้จะต้องเชื่อจะต้องเลื่อมใสจะต้องยินดีจะต้องพอใจในการต่อเพื่อปฏิบัติส่วนกายในชีวิตเป็นสำคัญเท่ากับเรื่องของจิตกายพออยู่ได้ใจเป็นมันบันเป็นพอเพราะ ควสะดวกในการดําเนินที่นิพิจนาจิตอาหารหรือเอาอาหารของธรรมเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าอาหารของตายหรืออาหารของใจเหตุนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ค่อยไปเกี่ยวยุ่งในสถานที่ชุกทีไม่เกี่ยวย่งกับการทํางานภายนอกเพราะเห็นบ่าการงานส่วนนั้น เป็นการงานยากเป็นการงานของโลกอย่างการอยู่จิิงขบขันก็เหมือนกันไม่ถือเป็นสำคัญทางานได้เพื่อปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นติดต่อนอนเรื่องกันทุกวันทุกเวลาแล้วหรือว่าที่นั้นเป็นสปายะที่นั้นสะดวกสบายถึงอาหารการฉันที่อยู่ที่อาศัยเชิงนุ่งของผมจะไม่สะ ด, ดวกขัดแทนก็าตาง แต่ตามต่อเ่อปฏิบัติภายในใจท่านสะดวกท่านสบายทัานดีท่านเด่นท่านเลยเอาอาหารทองใจคือธรรมะเป็นของสําคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นพวกเราท่านในเป็นอย่างนั้นปฏิบัติปา้ายมากฝ่างปฏิบัติใจเหตุน้ำใจใช่ไหมเคยมีอิสระใจใช่ไหมเคย ด, ดิีดีวิเศษถาหากเรา ที่จะแลน่แล้วโลกอันนี้หรือตัวของเรานี้ใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าทายใจวุ่นวายใจเดือดร้อนอาหารการกบขันอยู่จินจะมากมายหลายหลวงขนาดไหนก็ขบขันไม่ได้ที่อยู่ที่อาศัยใจะใหญ่โตมหูลานขนาดไหนก็อยู่ไม่เป็นสุขถ้าหาใจดีใจสบายอาหารการขันอะไรก็อรอร่อยไปทางนั้น ที่อยู่ที่อาศัยก็สะดวกสบายในตองใหญ่โตมโหัศลเด็กของใจจึงเป็นของสําคัญที่พวกเราท่านนควรมองข้ามควรต่อเพื่อปฏิบัติเพรใจเป็นของปฏิบัติได้ถ้พาปฏิบัติไม่ได้พระพู้ใเจา้าไม่ได้เป็นพระพูทใเจา้าสาวกไม่ได้เป็นสาวกผู้ที่หมดจบจากคิเลสตัณหาพวกเราท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับพระพู้ใต้จา้าหรือเหล่าอาหารหันตเหล่านั้นเหมือนกัน ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยเหมือนกันตรงนั้นแต่พวกเราท่านในตั้งหน้าตั้งตาของพื่อปฏิบัติจิตใจของพวกเราท่านจึงพดหูจิตใจของพวกเราท่านจึงเต่าหมองจิตใจของพวกเราท่านจึงเป็นทุกข์เรามาปฏิบัติปฏิบัติจิตใจอย่างนี้ในใจมาปฏิบัติอย่างอื่นพักผ่อนกายพอพักผ่อนได้พักผ่อนจิตถ้าหากไม่ทาจริงทำจังพักผ่อนไม่ดันอนอยู่มันก็ฝันไป นั่งอยู่มันก็คิดปรุงไปหาความสงบสงัดฮะความรวมรวมของใจไหนได้เมื่อเป็นอย่างนั้นจะให้มันสุกมันสบายมาจากที่ไหนคนที่วิ่งอยู่ไม่มีวันหยุดจะให้มันสุกมันสบายอย่างไรมีแต่เหนเ็ดเหนื่อยฉะนั้นพมะพุทธเจ้าจึงสอนสมาักให้ทำจิตสงบเสียก่อนเมื่อถึงขั้นวิปัสสนาการพิจารณาแกไขอารมณ์ภายในจิตในใจ จิตเคยจิดคล้องกดพิจ า, จารณาไปแจ่มใสชัดเจนเห็นไปจักเมื่อมันรู้มันเข้าใจมันก็ปล่อยวางสิ่งที่ติดคล้องแบบนั้นไปที่แล้ะเล็กทีละน้อยปล่อยวางไปจนหมดจากจิตจากใจของตนถ้าหากใช้าปาจฉนาคนคิดพิจารณาโดยถ่ายเดียวมันก็เหนื่อยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นวินหารธรรม ของพายโยคาวาจอนของสัมผัสของผู้ที่บริรสุทการเข้าสมาธิเข้าฌานสมาบัติจึงมีการพักผ่อนบัางมีการที่มีพิจารณาบ้างทั้งทั้งที่ท่านหมดกิเลสท่านก็ทาอยู่อย่างนั้นท่านยังมีกิเลสท่านก็เคยทํามาอย่างนั้นท่านไม่ทิ้งไม่ละไม่ปะไม่ปล่อยเรื่อคุณความดีจะต้องทําเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพาน นี่นักปฏิบัติทั่วไปมิเคยตัวเคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหมดกิเลสตัญหาแล้วจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้จะทําอย่างไรก็ทําได้ตามสะดวกสบายไม่เป็นอย่างนั้นฉันยังรักษาเรื่องขาดเรื่องขัเงขนเรื่องโลกกับวัชะเรื่องโลกเขาจิตจิมนินทาพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้นักปฏิบัติ คอยลอยล้อลงไปหมดไปในค่อยตั้งใจต่อเพื่อปฏิบัติกันจริงจังเท่าไรเห็นวัตถุภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการต่อเพื่อปฏิบัติภายในความจริงวัตถุภายนอกก็สำคัญแต่สำคัญสำหรับโลกอันนี้แต่เรื่องจิตใจเป็นของสำคัญในโลกต่อไปจะได้อาศัยเรื่อยไปถ้าจิตใจดีจิตใจมีสติมีปัญญา มีวิชาดีหมดแล้วส่วนวัตถูภายนอกก็เป็นเรื่องอาศัยช่ ว, วงเทาเท่านั้นและเชื่อมัน่นอย่างจริงใจว่าถ้าผู้ใดตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอัรรมจนรู้เห็นเป็นจริงขึ้นในตัวแล้ววัตถูภายนอกไม่ต้องขวัานไขจะมีคนมีเทวดามาสร้างให้คนไม่เห็นเทวดาก็จะเห็นเพราะความดี วิเศษนั้นจะดึงดูดเป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดคนที่ต้องการบุญต้องการกุศลมาสร้างให้ถึงแม่ใหญ่ตัวก็พออาศัยได้เหตุนั้นจึงควรสร้างใจอย่าไปวิตกตังวลสร้างวัตถุภายนอกสร้างใจของเราให้มีมาตรฐานให้ดีวิเศษแล้วเชื่อมั่นอย่างเต็มใจทีเดียวว่าเราจะต้องมีความสุข ถึงจะอยู่ทุกจนลำบากด้วยวัตถุก่อาตามจิตจะมีความสุขทุกตานทุกเวลาไม่ไว่าอิทธิบทใดเหตุนั้นการสร้างใจจึงเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านจะต้องสร้างกันเรามาบวดวัถุปรสง์อันใหญ่โตก็คือการตระหนึกปฏิบัติตายใจให้เป็นไปตัวความหลุดพน้นไม่ใใจมาบวดเล่นมาบวดหลับบวดนอนบวดหีจากการจากงาน ด่านนอกมาอยู่ในวัดในว่าข้าวปลาอาหารไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามีคนอื่นเอามาให้อย่าไปเข้าใจว่าการบวชเพียงแค่นั้นจะมีความสุขความสบายนั้นไม่สุขไม่สบายให้พอใจเมื่อเราจินมากนอนมากวิเลตันหาภายในจะต้องเกิดขึ้นถึงจะอยู่จะอาศัยกุฏิวิหารรลมเงาที่สะดวกสบายขนาดไหน ที่เฉลี่ยปัญหาภายในใจมันแข็เเผาคิดปรุงปุ่งส่างไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆคนที่ไม่ตั้งหน้าตั้งตาเราเพื่อปฏิบัตริรักษาอัตธรรมจึงอยู่ในวัดในวาในศาสนานในได้คึกหาลาพดกันไปเพราะไม่ตั้งใจเพเพื่อปฏิบัติกันจรงิงจังหากเพื่อปฏิบัติจรงิงจังเห็นอัตธรรมเป็นของลีเศสดีเด่นกว่าจริงขั่วไปถึงจะได้เป็นข้าเจ้าแผ่นดินหรือเป็นจักรประพัฒน์ที่ราชต่อตาม จะประเสริฐพิเศษขนาดจิตของเราเป็นสมาธิมีสารสมาบัติเป็นไปในหน้าเพราะการงานหรือสิ่งต่างๆจะต้องกอกควรถึงจะเพิดเพลินในเรื่องลาบยศต่างๆก็มีวันจะโศกเศร้ามีาเราประพฤติปฏิบัติตัวของเราได้รับความสงบสงัดได้รับสารสมาบั ต, ไบบติได้รับความบุญพ้ เรามีความสุขขนาดไหนเราจะไปจากในใจผู้ที่ท่านได้ท่านถึงเรื่องเหล่านี้จึงไม่มีการเอนเอียงไปตามโลกมีความคงที่อยู่ทุกการทุกเวลา